ธรรมะที่หลวงพ่อสอนมันไม่ใช่เรื่องแปลกละลาดอะไรหรอกเพียงแต่เป็นธรรมะที่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเอามาสอนในวงกว้างหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนอย่างนี้แหละบางทีไม่ต้องถามเลยนะท่านตอบให้เลยทําผิดตรงนี้ตรงนี้แล้วนะท่านก็บอกให้สมัยโน้นคนที่ไปเรียนธรรมะมีไม่มากตอนนี้คนที่สนใจธรรมะปฏิบัติจริงๆนะี่มีเยอะ มันเป็นไม่รู้หลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะเรืสอนที่ละคนนะ่สอนไม่ทันก็เลยต้องสอนวงกว้างนี่หลวงพ่อเห็นว่าวิธีที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะสอนตรงไปตรงมาสมัยพู้ทักการท่านก็สอนกันอย่างนี้แหละสอนเอาธรรมะกันเป็นหลักจริงๆคนถึงได้ธรรมะกันเยอะแยะ ท่านบอกว่าคารวาสให้เรียนแต่เรื่องทําทานรักษาศีลมีบางคนบอกงั้นจริงๆนะไปสอนกรรมฐานได้ยังไงคารวาสต้องให้เรียนเรื่องทําทานรักษาศีลบอกให้เรียนแค่นี้นะเขาทิ้งพระพุทธศาสนาไปหมดแล้วละนะเรื่องอะไรเขาจะมาเรียนเรื่องทําทานรักษาศีลเขาไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไระยุคนี้คนมีปัญญามากนะ สอนจะสอนให้ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ด้วยเขาเห็นได้ด้วยตัวเองว่าชีวิตเขาเปลี่ยนนะเขาถึงจะยอมเป็นชาวพุทธนะถึงจะรักษาสืบทอดพุทธศาสนานได้พระสารีบุตรนะเคยได้รับอารัธนาจากอนาทบินทิกะอนาทบินทิกะมีบารมีเยอะไม่เคยได้ยินเรื่องรูปนามเลย ฟังเทศของพระพุทธเจ้านิดเดียวก็เป็นพระโสดาบันเขาบารมีเยอะนี่เป็นโสดาบันแล้วนะหลังจากนั้นมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนานเลยไปสร้างวัดถวายพระเจ้าอยู่วัดขนานาพินทิกาเนี่ยนานมากที่สุดเลยนานาเทพินทิกาเนี่ยเกรงใจพระพุทธเจ้าเนะช้าขึ้นมาก็มาวัดเอาอาหารมาถวายแล้วก็เที่ยวเดินจวจวัดวารามไปนะอะไรเงี้ย วันๆก็เวียนมาดูไม่ทำธุรกิจก็ามาดูวัดไม่ถามธรรมมาพุทธเจ้ากลัวพุทธเจ้าเหนื่อยพุทธเจ้าท่านก็เคยบ่นบอกอนาถบินทิกาเนี่ยเกรงใจในเรื่องที่ไม่สมควรเกรงใจท่านสร้างบารมีเสียสงไข่แสนมาหากรับเพื่อจะมาสอ น, นก็มาเกรงใจท่านไม่ให้ท่านสอ น, นจนกระทั่งอายุมากนะป่วยหนักใกล้จะตาย ก็เกรงใจพระพุทธเจ้านะไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาเทศให้ฟัง น, นี่เกรงใจตลอดพระสารีบุตรท่าเนี่ยเทศเรื่องรูปนามขันหานี่แหละให้ฟัง น, นาถพิทิกษร้องไห้เลยบอกทําไมแต่ก่อนผมยังแข็งแรงไม่เทศให้ฟังบ้างถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะระดับนี้นะคงได้ธรรมะสูงกว่าขั้นพระโสดาไป สูงละเอียดเข้นไปอีกนี่เลยได้แค่เนี้ถ้าหลวงพ่อเป็นภาษารีบุตรคงคงถามนานาเทวินทิกะแล้วไม่ยมไม่ถามาวันวันก็เดินท่อมๆดูวัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะนานาเทวินทิกาบอกว่าถ้าหากได้ยินได้ฟังธรรมะนะเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องอะไรพวกเนี้ยคงจะได้ธรรมะที่สูงกว่านี้เสียตายเหลือเกินไม่ทันแล้วไม่ได้ยินแต่เมื่อใกล้ตายแล้ว ขอรัตนาท่านพระสารีบุตรช่วยสอนธรรมะชั้นสูงอย่างนี้ให้กับครวาสบ้างเถอะครวาสที่มีปัญญาแก่กล้านะยังมีอยู่ถ้าได้ยินได้ฟังจะได้ประโยชน์นะงันการที่สอนธรรมะปฏิบัติชั้นสูงให้พวกเราเนะเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกปกติเขาไม่ค่อยสอนกันหรอกถือว่าโยมบารมีน้อย เรียนแค่ทำทานถือศีนก็พอและแค่ศีลห้าก็ถือไม่ได้แล้วจะมาภาวนาได้ยังไงหลวงพ่อคิดกับข้างนะถ้าเขาเห็นคุณค่าของการภาวนานะเขาจึงจะถือศีลกับข้างกันนะอยู่ๆไปถือศีลทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยบางคนถือศีลแล้ว อ, อดข้าวเย็นด้วยเรื่องอะไรต้องอดไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าภาวนานนั้จะเห็นประโยชน์นะอย่างขั้นโสดาสกทาคาเีศีลหพอ ถ้าขึ้นจะขึ้นพระนาคาเนี่ยควรจะถือศีลแปดศีลห้าเนี่ยไม่ค่อยจะพอลนะเนี่ยศีลแปเนี่ยก็สูงสุดแล้วลวนะศีลสองรอยยีบเจเลยนี่เป็นเรื่องระเบียบวินัยซะและ้วเป็นส่วนมากนะที่จริงกิริยามารยาทของคนไทยเนี่ยถอดพระวินัยมาเยอะเลยนะถอดจากพระวินัยมาเยอะแยะเลยไม่งนจริงๆพวกเราเนี่ยไม่ได้ถือศีลห้านะเราถือศีล จำนวนมากเลยแต่เพียงแต่ไม่ได้เอามานับเท่านั้นแหละพระมีศีลสองรยี 7, ่บ็ดในเรื่องเสเขียววัดทั้งเจ็ดสิบห้าข้อเรื่องคล้ายๆกิยามารยาทเรื่องอะไรต่อนนี้ธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะเราเรียนธรรมะเพื่ออะไรขั้นแรกเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนนะ เราศึกษาเราปฏิบัติธรรมนะจุดมุ่งหมายเราเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเฉิงไม่ใช่พ้นทุกข์นิดๆหน่อยๆววัตถุประสงค์ในทางธรร ม, มานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยะจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากมายไก่กองนะย่อลงมาแล้วประมวลลงมาแล้วก็เหลืออยู่นิดเดียวท่านสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อะไรที่เรียกว่าทุก สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะีตัวขันหาตัวกายตัวใจตัวรูปประธรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราตัวนี้แหะคือตัวทุกข์ท่านสอนเรื่องทุกข์นะก็มาถึงเรื่องลึกที่สุดก็คือเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องของศีลการการทำยังไงจะเกิดศีลทำยังไงจิตจะตั้งมั่น ทำไงจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามนะถ้าเห็นความจริงได้แล้วจะหมดความยึดถือนะท่านบอกว่าเขาเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นพราะหลุดพ้นจะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดเนี่ยจบแล้วไม่มีละกิจที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วนะจิตใจเข้าถึงความสะเียนนั่นหนึ่งนะมีความสงบสันติอยู่ภายในนะ เป็นความสุขอันมหาศาลสภาวะของจิตนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตจิตของพวกเรามีขอบมีเขตนะสภาวะที่หลุดไปแล้วนี่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาอันนี้ไม่ใช่ปรัชญานี้เป็นศาสตร์ตรงๆเลยเป็นการบอกตรงๆเลยไม่ใช่ให้เป็นปรัชญาให้ไปคิดไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา เป็นสภาวะที่มันเสถียรอยู่ในตัวของมันเองมีความสุขที่มหาศาลไม่มีความสุขอะไรเสมอเหมือนเลยความสุขนั้นมันมีเป็นชั้นๆไปความสุขจากการได้ดูรูปสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้คิดเรื่องราวสนุกสนานความสุขอย่างนี้เรียกว่ากามาสุคือความสุขธรรมดาหมาแมวมันก็ต้องการ มันก็มีเหมือนกันไม่อาศจันอะไรนี่คนในโลกมันรู้จักแต่ความสุขแค่นี้แหละความสุขระดับต่าที่สุดเลยความสุขจากกรรมความสุขจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกลงแต่งที่เพลิดเพลินพอใจและคิดว่าโลกมีความสุขอยู่แค่นี้เองถ้าผู้มีสติมีปัญญาก็เห็นอีกความสุขอย่างนี้ยังไม่ถาวร ความสุขจากการเห็นรูปถ้ารูปมันแปลปลวนไปหรือตาเราไม่มีความสุขก็หายไปอย่างเรามีแฟนสวยมากเลยนะมันไม่สวยถาวรนะสวยไม่นานก็เริ่มเหี่ยวคิดดูนะชีวิตตอนสาวๆตอนสวยๆนะั้นสั้นนิดเดียวนะตอนแก่ๆเหี่ยวๆนี่ยาวมากเลยเราก็วิ่งดิ้นรนไปหามานะนี่แหละของสวยของงามเราเห็นแล้วเรามีความสุขนะ มันสวยอยู่ไม่นานเลยมันก็เริ่มตีนกาก็งอกนะตรงหน้าก็เขี่ยวหัวก็งอกนะหนังก็ย่นฟันก็โยกอย่างนี้นะเริ่มดูไม่ได้ช่วงเวลาที่ดูไม่ได้นี่ยาวนานมากเลยพวกเราส่วนใหญ่ในขณะเนี้อยู่ในวัยดูไม่ได้ลนะก็เริ่มเริ่มแปรปรวนลนะเนี่ยความสุขนะถ้าไปติดอยู่ที่ต้องเห็นของสวยนะของสวยมันไม่ทนทานนะ เดี๋ยวมันไม่เห็นนะมันก็ไม่มีความสุขสิความสุขจากการได้ยินเสียงได้คุยกับคนนี้มีความสุขนได้ยินเสียงคนนี้โอ้ยมันซึ้งใจวันไหนไม่ได้ยินก็เฉานะแก่ลงหูตึงนะเสียงนี้ก็ไม่ได้ยินบางคนได้ยินเพลงฟังเพลงนี้มีความสุขได้ยินเสียงอย่างเนี้มีความสุขบางคนได้ยินเสียงน้ําไหลเสียงลมพัดใบไม้ไหวมีความสุขติดก็กล้าเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ยินล่ะ มันได้ยินตลอดซะที่ไหนล่ะเกิดไม่ได้ยินมันก็ไม่มีความสุขอย่างหลวงพ่อนะถ้าติดในเสียงอย่างในวัดเนี่ยเชา้ชาเ้านะเสียงนกนี่ระ ง, งมเลยนกร้องเพราอมากเลยนกกลางเขนนกอะไรนี่นะสังฆราชปลเรกัวเข้ามาสมัยต้นรัตนโกสินทนระ์น่ะแกได้ยินนกกลางเขนร้องแกไปเที่ยวมาเยอะแล้วหลายประเทศแก่สรุปเลยว่าเสียงนกกลางเขนเนี่ยนะเป็นนกที่ร้องพรอที่สุดในโลก คู่กับ น, นกไนทิงเกลนกไนติงเกลร้องไงหลวงพ่อไม่เคยได้ยินได้ยินแต่นกกังเขนเนี่ยคู่กันเลยบอกเพราะขนาดนั้นเนี่ยสมมติหลวงพ่อูทุกวันจะต้องฟังเสียงนกถึงจะมีความสุขโรงงานขยายเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาใกล้วัดเข้ามาเต็มทีแล้วพวกเราก็แห่มาสร้างบ้านจัดสรรกันตรงนี้แล้วต่อไปก็คงเปิดทีวีเปิดอะไรนะนกคงหนีไป่หิ้ง เนี่ยถ้าหลวงพ่อติดเสียงนอกนะหลวงพ่อโอ้โนกเอ๋ยไปอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะเนี่ยความสุขจากการอิงอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสนะเป็นของที่แปรปรวนง่ายนักปรฏิทั้างหลายเขาถึงไม่หาความสุขกันแค่นี้มันตื้นไปมันมีความสุขอะไรที่ดีกว่านี้ที่ทนทานกว่านี้ไหมเขาก็พบว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเรียกว่าฌานสุขนะฌานการเข้าฌานการทําสมาธิสุขจากการมีสมาธิ เป็นสุขที่สูงกว่ากามนะคนที่ทําฌานได้ทําสมาธิได้ทรงสมาธิอยู่เนี่ยจะให้ไปเพลิดเพลินดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปคิดนึกอะไรสนุกสนานนี่ไม่เอาเลยรู้สึกว่าโสโปรกรู้สึกเป็นภาระนะมันคล้ายๆแต่เดิมเรายากจนนะเราคุยอะไรเก็บเศษอาหารตามพื้นอะไรนี้เรากินได้นี่คล้ายๆพวกกา ม, มาสุข แต่มามีอาหารใส่จานมากินแล้วนะให้ไปเก็บอาหารตามพื้นมากินอย่างนั้นไม่เอาแล้วกินไม่ได้แล้วใจนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อไหร่เราได้ความสุขของสมาธิขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการคิดนึกเพลิดเพลินทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขที่เล็กน้อยเหลือเกินเป็นความสุขที่เจอือพนด้วยความสปกสปรกสกปรกนะเหมือนเด็กเล่นดินเล่นทรายเด็กเล่นดินเล่นทรายเด็กก็มีความสุขนะ ท, ท, ทั้งๆที่โสกโปรกมอมแมมมากเลยเชื้อโรคก็เยอะนี่เป็นหมอย่มรู้ดีเล็บรบเลยนะเชื้อโรคเข้าไปซ่อนอยู่มากมายนี่ก็มีความสุขแต่ว่าถ้าได้ฌันสุขได้สมาธิขึ้นมาแล้วจะรู้เลยความสุขอย่างนั้นมันกระจอกมากเลยความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะรูปบางทีก็รูปคนอื่นเสียงก็เสียงคนอื่นในนี้ของคนอื่นทั้งหมดเลยไปอิงของข้างนอกอิงของคนอื่นพึ่งคนอื่นะ ไม่เหมือนสุขของสมาธิแล้วสุขพึ่งตัวเองได้นั่งที่ไหนนั่งหายใจไปก็มีความสุขแล้วไม่ต้องทําอะไรก็มีความสุขไม่ต้องซื้อเลยะมีความสุขอยู่ได้แล้วสุขนั้นประนีตกว่ากันเยอะเลยพวกนักปราชญ์ทั้งหลายหรือศีชีพไทยทั้งหลายพอไปทําสมาธิแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เลยนะยังไม่รู้จักสุขอีกชนิดหนึ่งนะสุขชนิดนี้พระพุทธเจ้าค้นพบก่อนเรียกโลกุตตะสุขท่านเริ่มเห็นความไม่เอาไหนของฌานสุขนะ ถ้าท่านเข้าฌานได้แล้วเรียนเข้าฌานจากฤาษีแล้วนะออกจากฌานท่านก็พบว่ากิเลสกลับมาเหมือนเดิมความทุกข์กลับมาเหมือนเดิมแล้วดูจะแรงกว่าเก่าด้วยซ้ําไปอย่างถ้าเราเข้าฌานมากๆนะออกมาจากสมาธินะกระทบอะไรนี่เดียวจะโมโหง่ายนะเพราะอยู่ข้างในนี่มันประณีตมากเลยมันสงบมันสบายมันประณีตออกมากระทบตามองเห็นรูปก็ราคาญนะเพราะมันเป็นของหยาบหูได้ยินเสียงก็ราคาญนะมันเป็นของหยาบนะเคยกระทบของประณีตมาแล้วไปอยู่กับของหยาบแนละ้วมันหงุดหงิดนะ พระเจ้าท่านเลยเห็นว่าชาญสุขก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะยังเป็นของแปรปรวนอยู่มีสุขอันใดไหมที่จะเสถียรเนี่ยท่านก็ภาวนานะจนท่านพบโลกรุตระสุขความสุขที่มันเสถียรจริงๆเป็นสภาวะที่จิตนะพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นลนปรุงแต่งพ้นจากการยึดถือสิ่งต่างๆ จิตนี่นะถ้าเรามันเข้าไปยึดอะไรนะมันจะหนักขึ้นมาเลยมันจะหนักมันจะแน่นนะจะอึดอัดไม่สบายนะหัดใหม่ๆไม่รู้นะถ้าหัดสักพักนึ่งจะเห็นเลยเวลาจิตมันพยยึดอารมณ์นะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตปล่อยอารมณ์นะมีความสุขคลายออกมานะสบายเบาลงนะละต่อไปก็จะพนานามันจะสูงกว่านั้นขึ้นเป็นลําดับลําดับนะถึงโล ก, กุัศรสุขเนี่ยจิตไม่ยึดอะไรเลยของเรายังไม่ถึงกัน ส่วนใหญ่ในห้องนี้เนะี่ยดูได้แค่จิตยึดอารมณ์ว่าจิตยึดอารมณ์วก็ทุกข์จิตคลายอารมณ์ออกก็เป็นสุขต่อไปจิตไม่ยึดกายนะคลายกายออกโอ้ยิ่งสุขกว่ายึดปล่อยอารมณ์ได้อีกนะแล้วขั้นสุดท้ายมันปล่อยวางจิตได้ไม่ยึดจิตของเราหันใหม่ก็แค่ไม่ยึดอารมณ์นะต่อไปไม่ยึดกายไม่ยึดจิตพอหมดความยึดนะโอ้ยมันมีความสุขนะสุขแบบครูบาอาจารย์ท่านเล่านะบอกว่าน้ําตาร่วงเลยนะว่า ความสุขแบบนี้ก็มีด้วยหรือนึกไม่ถึงนะมันมีเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเงิน mm hmm. เป็นความสุขที่เป็นอิสระไม่ใช่ความสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งการมาสุขเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นนะชาญสุขอิงอาศัยตัวเองโลกรุตระสุขไม่อิงอาศัยอะไรเลยนะเพราะตัวเราเรายังวางไปเลยไม่ยึดถือเลยนะเพราะนั้นมันสูงกว่ากันเป็นขั้นขั้ น, ข, นขั้นไปเริ่มต้นเราก็มาหัดนะ เพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งนะพ้นทุกข์ถาวรไปเลยนะค่อยมาเรียนรู้นะท่านสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนี่หน้าที่เราก็มารู้ตามความเป็นจริงนี่แหละงานหลักของชาวพุทธเราก็คือมารู้กายมารู้ใจตามความเป็นจริงนะ กายนีใใใ้ใจนี้ที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามารู้ตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวเราตรงไหนเป็นแค่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ชั่วคราวอะไรอะไก็ชั่วคราวไปหมดเลยนะดูไปด้วยความรู้สึกในใจก็ชั่วคราวนะวิ่งหาความสุขแทบตายเลยความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายไปความทุกข์เองก็ชั่วคราว ความดีนะก็ชั่วคราวนะโรคปวดหลงก็ชั่วคราวเนี่ยคอยดูลงในกายดูลงในใจนั้นมีแต่ของชั่วคราวหายใจออกชั่วคราวหายใจเข้าชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนชั่วคราวกินอาหารก็กินชั่วคราวกินแล้วก็ไปขับถ่ายก็ขับถ่ายชั่วคราวนะมีแต่ของชั่วคราวทางจิตทางใจก็สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโรคปวดหลงก็ชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันพอเนี่ยมันจะสรุปเลยว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาคือทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยถ้าเราเห็นได้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยชีวิตเรานะความสุขจะตกหายไปหลายส0เซลยไม่ใช่ 25% สอร์เซนะพวกเราชอบโมเมชอบคิดธรรมะด้วยบัญญัติตรายางมีโสดาสกทาคานาคาพาราลหันเ น, นได้โสดาเนี่ยล้างความทุกข์้เปอรนันี้ผู้เราเองนะ ไม่ได้เป็นโสดาแน่นอนเลยที่พูดอย่างเนี้ยีนะจริงมันหายไปเยอะเลยนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะมันจะไม่หวั่นไหวนะความหวั่นไหวนี้จะลดลงลดลงเพราะมันเห็นแล้วทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นนะใจก็ไม่หวั่นไหวยินดีกับมันเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ต้องตกอกตกใจไม่ยินร้ายกับมันเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็ชั่วคราว อะไรๆนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราใจมันรู้อยู่ลึกๆเลยว่าชั่วคราวมีแฟนนะก็รู้ว่าชั่วคราวนะต่อไปก็ไม่เป็นแฟนนะเป็นอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยานะต่อไปก็เลิกกันอย่างนี้ก็มีนะหรือตายจากกันนะก็เป็นชั่วคราวอีกนะไม่ว่าเราอยู่กับคนที่เรารักแค่ไหนเราก็อยู่ชั่วคราวนะบ้านที่เราลงทุนสร้างเอาไว้ใหญ่โตเราก็อยู่ชั่วคราวนะซื้อรถมาก็ใช้ชั่วคราวนะ รถส ว, สวยอยู่ไม่กี่วันนะเดี๋ยก็มีร่องมีรอยไม่นานก็พังไปก็ชั่วคราวเนี่ยพอมันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี่ชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่หลงยินดีมันจะยินดีทําไมมันของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายจะยินร้ายทําไมมันของชั่วคราวจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะเนี่ยจิตใจที่เข้าสู่ความเป็นกลางได้ด้วยปัญญาอย่างนี้นะมีความสุขขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ 25% ห้อรนตอกนะ ค่อยภาวนาต่อไปนะต่อไปจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกทุกล้วนล้วนเลยคนที่สติปัญญาไม่พอจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะหรือจิตใจก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ภาวนามากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วน้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนวนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย นี่เรียกเห็นทุกข์นะเห็นแจมแจ้งเลยเห็นความจริงแล้วรู้ตามความเป็นจริงแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิต ท, ที่สลัดไม่ยึดถือนะปล่อยวางไปจะยึดไม่ทําไมมันเป็นตัวทุกข์นะดังนั้นที่สุดของทุกข์อยู่ตรงที่มันหมดความยึดถือในกายในใจของเรานี้แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะจะมีความสุขที่มหาศาลนะนั่นเกิดขึ้นนะเป็นความสุขของธรรมะความสุขของพระนิพพานนะสะภาวะจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความทุกข์ทางใจ แต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจไ ม, มไม่มีไม่มีอะไรย้อมใจได้นในใจจะมีความรู้สึกอยู่2 อ, อย่างนั้นมีความสุขนะกะอุเบกขาแต่ความสุขก็ไม่ย้อมใจสุขไปอย่างนั้นแหะไม่ย้อมใจนะอุเบกขาก็ไม่ย้อมใจมันเป็นอิสระที่แท้จริงวพนันที่หลวงพ่อมองบอกภาพคร่าวๆให้ดูนะเพราะ้นที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้นะเรียนรู้ กายรู้ใจของเรานี่แหละจนเห็นความจริงของกายของใจถึงจุดหนึ่งจะมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะจะเป็นอิสระขึ้นมาเอาซีดีไปฟังนะถ้าฟังแล้วฟังอีกมีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนะั่นแหละฟังซ้ําๆไปด้วยนะวันหนึ่งใจเราจะเปลี่ยนคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะเราฟังไปเรื่อยๆนะบางคนในเดือนเดียวนยีชีวิตเปลี่ยนแล้วนะจะรู้สึกเลยว่าเราเหมือนเกิดใหม่แล้ว เ, เป็นคนใหม่แล้วเราไม่ใช่คนเดิมแล้ว คนสองเดือนสามเดือนจะรู้เลยว่าเราไม่ใช่คนเดิมนะเมื่อวานไปกลามานะมีคุณหมอที่เป็นคนจัดนะหมอ น, นั้นใช้เวลาคุณหมอทนนี่ใช้เวลาหลายปีนะแล้วก็ภาวนาภาวนามาเรื่อยบอกเพิ่งจะรู้จักวนะ่ารู้ตัวเป็นยังไงใจมันเปลี่ยนรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้เคยรู้สึกตัวเลยนะ เมื่อวานบอกคุณหมอเห็นแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อเคยบอกว่าในโลกมีแต่คนหลงเห็นนะครับในโลกมีแต่คนหลงนะและใช้เวลานานเหมือนกันที่นานเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่นะงานการก็เยอะอย่างนี้พวกเราอย่างเด็กๆฝึกไม่ยากไปฟังซีดีแล้วก็ค่อยสังเกตกายสังเกตใจเอานะาต่อไปส่งกันบ้านนะมสาสการครับ อยังกิตยังแข็งเราจะทําให้เป็นกลางกันยังไงบ้างครับทําไม่ได้ถ้าทําเนี่ยเป็นอัตตากิลมัฏฐานยุโยคถ้าไม่ทําเป็นกามสุขาริการยุโยคให้รู้อย่างที่มันเป็นให้รู้อย่างที่มันเป็นเออนะรู้อย่างที่มันเป็นแข็งรวยแข็งไม่ชอบรู้ไม่ชอบอยากให้ให้หายนะรู้อย่างที่เขาเป็นแต่จะเรียกว่าทางสายกลางแต่ดีกว่าดีกว่าปล่อยดีกว่าปล่อยแต่ถ้าจับไว้เนี่ย ก็ข้ามข้ามโอค้าไม่ไดนะ้ไปไม่ได้ถ้าจับไว้จะลอยขึ้นไปสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจับไว้เก่งเป็นลมนะไม่ข้ามโอค่ะแต่ถ้าปล่อยไปไปอบายนะทางสายกลางทางสายกลางรู้อย่างที่มันเป็นแต่ถ้ามันจะฟุง้งรวบมันเข้ามานะแต่พอเข้ามาแล้วหายฟุ้งแล้วดูกายดูใจทางานปล่อยมัน ดูไกลดูใจไม่ไม่เป็นการเพ่งเหรอครับแค่รู้สึกนะลืมคำว่าดูไปก็ได้ถ้าดูหมายรู้สึกต้องตั้งใจดูนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกถึงกายเห็นไหมแค่รู้สึกร่างกายพยักหน้าเอาทุกคนพยักหน้าสิาไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวคอเคล็ดไปรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกถ้าถ้าเพ่งแนละ้วก็ อ, อย่างเงี้ยโออย่างนี้ไม่เอาเลยนะ นานไปพิการแล้วไม่ได้กรรมฐานอะไรหรอกแค่รู้สึกเห็นไหมกำลังหัวเราะกาลังยิ้มรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกยิ้ม <c oughs> อย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกการมสุขาริการุโยก <c oughs> ถ้าอย่างนี้รู้สึกนี่อตัตตะกิรมฐานุโยกนะให้รู้แค่รู้สึกเห็นไหมรู้สึกรู้สึก ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกนะแตแค่นั้นแหละต่อไปนรัตการค่ะเมื่อวานหลวงพ่อให้พุโทโธพุธโทโธก็มันก็ยังฟุ้งอยู่แต่ว่าคิดว่าตัวเองดีขึ้นน ะ, ะดีขึ้นสินะไปกลับบ้านก็ต้องพุโทโธอีกนะก็ปกติจะหายใจแต่ทีนี้เมื่อสองสมวันที่ผ่านมาเนี้ยรู้สึกว่าหายใจแล้วมันก็ไหลไปกลมหายใจเลยพอ หลวงพ่อเมื่อวานแนะนำว่าให้พุโทโธมันมันเหมือนกับมันรู้สึกตัวได้มากขึ้นนะถนัดพุโทโธก็พุโทโธไปนะถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละพุโทโธแล้วรู้สึกตัวพุโทโธแล้วรู้สึกตัวไหยเพื่อเราจะได้รู้สึกอะอรู้สึกตัวเป็นก็รู้สึกในกายรู้สึกในใจที่แค่รู้สึกอีกวนศการค่ะ ก็มาอยู่ที่นี่รู้สึกสบ ป, ปายยาักว่าอยู่ที่บ้านค่ะถ้าอยู่วั ด, ดยังสบายยักษ์สู้ที่บ้านไม่ได้ก็ลือวัดเลยตั้งศูนย์การค้าแทนนิง่งคืนค่ะแต่ก็รู้ตัวค่ะว่าไหลจิตส่งออกนอกบ่อยค่ะแค่รู้นะ <c oughs> รู้สึกว่าจิตมันออกนอก <c oughs> ไม่ห้ามมันถ้าห้ามเป็นอัตตาเคละมัานุโยคถ้าออกไปแล้วไม่รู้เป็นการสุขาริการนยิยค ข่ า, าต่อไปมาสการกักหลวงพ่อขอากาศค่ะก่อนหน้านี้เมารู้สึกว่าหลงมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็เลยเห็นว่ามันหลงแล้วมันบดบังสิ่งที่จะทำให้เห็นสภาวะที่แท้จริงแน่นอนสิโมหะมันมก็ปิดหมดสิมันเพิ่งเห็นนะคะห ล, งลวงพ่อแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าพอพอ ลูกเขาบวชให้ก็เลยตั้งจิตว่าจะสร้างเหตุใหม่แล้วก็มาภาวนาแล้วก็มาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิที่นี่ก็เพื่อที่จะสร้างเหตุให้มันต่อเนื่องแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตนะคะก็เลยอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อทำกรรมฐานสัอย่างพุโทโธอะไรก็ได้น ะ, ะแล้วก็คอยรู้ทานจิตที่เคลื่อนไปยังฟุง้งใช่เพิ่ ม, ม<ถ>ความสงบเข้ามา ทำรูปแบบเพิ่มทำรูปแบบต้องทำให้ถูกถ้าทำผิดจะเป็นอัตตาขีลมะทานุโยกนะเช่นเราพุทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนแล้วก็แค่รู้ว่ามันเคลื่อนแค่รู้สึกแค่รู้สึกก็แปลว่าต้องเพิ่มสมถะแล้วค่ะใช่ยังฟุ้งมากอยู่เออยังฟุ้งมากนะยังช่างคิดอยู่ได้คิดมากยากนานนมัสการเจ้าค่ะลูกมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมประมาณ ประมาณสงการนะคะออทีนี้ลูกนั่งสมาธิแล้วก็สวดมดนต์ <ยก S 1> เนี่ยค่ะก็ยกใหม่อย่างนี้ยกไหมต่ตั้งๆจะเห็นว่ามันเห็นเป็นภาพเป็นชอตๆนะคะหลวงพ่ออ่ะการเกิดการแก่การเจ็บการตายการมีลูกมีสา ม, มีอะไรเงี้ยมันเป็นทุกข์ไปหมดเลยะะเจ้าค่ะออันนั้นยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็จะเห็นอีกว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยมันออกมาหมดเลยเจ้าค่ะ ม, มัน มีมารยามีทุกอย่างเอออย่างนั้นนะเห็นไหนมว่าแต่ละตัวที่มานะมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับใช่ไหมค่ะทุกอย่างมันช่วคลาวตรงนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะค่ะเออหลังจากนั้นเนี่ยหนูนั่งนั่งอีกก็จะเห็นว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่นอกนอกเออมันอยู่<ต>นอกแต่ตรงตรงนี้ดีนะแต่ว่าตรงที่เห็นมันนอกนอกเนี่ยเราจะไม่รักษาตัวนี้ไว้นะ หูติดตัวนี้อะค่ะหลวงพ่อหนูเห็นแต่หนูไม่รู้ว่าตรงเนี้จิตเป็นกลางหรือจิตติดเฉยอันเนี้ยเราจะไปจับตัวรู้ไว้มากไปจับตัวรู้มากไปเออนะถ้าให้ตัวนี้เกิดดับได้ด้วยเป็นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดไม่งั้นเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะแต่ตัวนี้เที่ยงอยู่ตัวเดียวมัคงที่อยู่ค่ะหนูจะแก้อย่างไรคะหลวงพ่อเห็นตัวเนี้นจต้องต้องอยู่ตลอด ต, อต้องไม่จงใจนะแล้วค่อยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอย่าไปดูตัวนี้ ครรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเมื่อกี้มันมีความไม่ชอบไอตัวนี้ผุดขึ้นมาอยเงี้ยใช่ค่ะนะเราก็รู้ว่ามันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นอย่าหมดแต่ไปจ้องไอตัวนี้น ะ, ะตัวนี้มันคือตัวรู้ใช่ไหมใช่วิธีจัดการกับตัวรู้ก็คือรู้ว่ามันมีอยู่เท่านั้นแหละแต่ไม่รักษามัน<อ>ตัวนี้ประณีตมากเลยนะถ้าพลาดเนี่ยจะไปจับตัวรู้แล้วจะไม่เดินปัญญา จ, จริงอะ เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะโยกเว้นตัวรู้เห็นทุกอย่างเป็นทุกนะโยกเว้นตัวรู้เห็นทุกอย่างบังคับไม่ได้นะโยกเว้นตัวรู้อีกค่ะทีนี้พอหนูออกมาจากปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในโลกภายนอกนะคะหนูก็พอเห็นจิตมันส่งออกไปข้างนอกมันก็จะมีตัวนี้ตั้งขึ้นมานั่นแหละตัวที่ยังยังพลาดอยู่ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันส่งอยู่อย่างเงี้ยนะเออต้องอย่างนี้นะเห็นไหมตัวนี้เป็ยากหน้าแต่เราไม่ได้จับตัวนี้ไว้ใช่ค่ะั้งอย่างนี้นะ อย่าไปจับตัวรู้ไวะหลวงพ่อเคยพลาดไปจับตัวรู้แนละ้วติดเป็นปีเลยป่าจะแก้ได้ไขอบคุณค่ะพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บนะั่นจับตัวรู้ปับ๊บเลยกรามนมัสกาหลงพ่อคะ่ะหลวงพ่อค่ะของลูกก็คือว่ามันเหมือนจิตหนึ่งมันมันเอาอีกจิตหนึ่งมันก็ไม่เอาอีกอ ม, มันเหมือนถ้าเมื่อไหร่ที่มันไป ยึดขันอะไรเงี้ยมันก็ทุกแต่พอมันมาอยู่กับตัวรู้มันก็สงบดีอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบว่าจะต้องมาอยู่กับตัวรู้ไม่ไม่แค่ว่ามันมีตัวรู้อยู่แล้วเห็นขันมันทํางานไปที่ต้องมีตัวรู้อยู่นะเพื่อว่าเราจะได้เป็นคนดูขันเป็นของถูกรู้ถูกดูใช่ไหมแล้วขันมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอกแต่ตัวเนี้ยเราไม่ไปปกครองไว้นะ ถ้าประคองตัวผู้รู้ประคองจิตรักษาจิตเอาไว้จะไปไม่รอดมันจะไปปลุก ม, มโลกแทนนะจะไปเป็นพระผุ่มก็คือตอนนี้มันมันติดติ ด, ตดตสมาธินะใช่ใชไหมใช่ใชนะ่งั้นพยายามดูร่างกายให้เยอะขึ้นนะดูกายให้เยอะขึ้นอย่าไปดูตัวรู้นะแค่รู้ว่าตัวรู้มันมีอยู่แค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปดูมันแล้วก็ดูกายเยอะๆเห็นร่างกายตีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอันแต่ละอัน แต่ละอันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยดูยงี้เปเรื่เวียนอยู่กับกายบ่อยๆนะเอากายมาช่วยนะมันจะได้ไม่ไปดิ่งจ้องเข้าไปที่ตัวรู้นะก็คือดูดูกายดูกายมาช่วยเยอะๆยนะ่อย <Okay. S 1> ส่วนจิตมันจะเห็นจิตมีกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรมันเห็นอยู่แล้วละ่ะ <Okay. S 1> เห็นก็รู้มันนะ oh, กิเลสเกิดก็รู้ ที่มันที่มันที่มันสงบสงบนี่เป็นเพราะว่าเรา ต, ติดสมถะใช่ไใช่ใช่เมื่อตัว<อ>ที่ติดสมถะเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้มาดูกายให้เยอะขึ้นนะพอไปดูจิตไม่ได้เดี๋ยวว่างไปหมดเลยแต่ว่าพอดูกายดูกายไปมือจะไปเห็นจิตนะจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วเดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละติดสมถะนั่นแหละ เรียกว่าอยู่กับตรงนี้แล้วมันสบายดีแน่นอน oh. สบายดีแต่ต้องไม่เอามันโอ้ oh, เอาก็ไปเกิดอีกแหละ <c oughs> <c oughs> ที่ <c oughs> ว่าหน้าเกรริดเป็นเพรผมการสการของพ่อครับว่ามาอันนี้วนันช่วงนี้ก็เมื่อกี้หลวงพ่อตั้ช่วงเช้าหลวงพ่อเทศเนะครัมีความโลภนี่ก็โลภอยู่โลภอยากจะพูดเร็วๆอยากจะอ <c oughs> อยากจะทันความคิดของเราไม่ท <c oughs> ัน นี่ก็มีความตื่นเต้นขณะตอนนี้นะครับแล้วก็มีจิตเพ่งไปหาหลวงพ่อที่ฝึกนะใช้ได้นะขันก็แยกแล้วล่ะครับเห็นไหมขันแยกแล้วแต่ละขันแต่ละขันมันไม่ใช่คนแล้วนะมันไม่ใช่เราครับเนี่ยก็จะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปถึงจุดที่จิตมันยอมรับ่็ได้ธรรมะเลยดีแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามานะครับเวลาจเจริญปัญญาไปเรื่อยบางทีฟุง้งถ้าฟุ้งมากก็ทําความสงบเข้ามา ให้จิตได้พักให้จิตพักแล้วมีเรื่องมีแรงก็ออกมาเดินตัญญาแยกขันไปเห็นขันทำงานไปอย่างนี้ไม่นานก็ได้ธรรมะได้นะครับเวลาผ่านไปนานขึ้นก็เห็นกายทุกบ่อยค่ะเห็นไหมกายมันมีแต่ทุกข์เยอะเลยทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยค่อยๆดูไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะ ร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูเรื่อยๆแล้วแต่จิตก็ดูว่าผ่อนขึ้นค่ะดีนะอย่าไปเพ่งจิตให้แข็งๆดูไปจิตก็แปรปลุนไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตอนะเราเป็นคนดูไปสบายๆจิตนุ่มนวลดูอย่างสบายดีถูกแล้วถ้าดูแล้วจิตแข็งๆก็ดูผิดแล้วละ่ะ แนะนำเพิ่มไหมคะนี่ไงไปทำต่ อ, อทำถูกแล้วนี่ทำถูกแล้วทำอีกแต่ถ้าอย่าทิ้งสมถานะแม่ชีไม่งั้นนานไปเดี๋ยวมันฟุง้งซ่านค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะคือมีปัญหากับคนรอบข้างที่มัมกจะมองแล้วว่าเวลาที่หมาป่วยหมาตายแล้วเราไม่ร้องไห้ฟูมงไฟเนี่ยฮะเหรอ เราเป็นพวกเลือดเย็นเป็นพวก<อ>ไม่มีความรู้สึกไม่ต้องเถียงเขานะว่าผิดหลักวิทยาศาสตร์เราเป็นพวกเลือดเลือดอุน่นไม่ใช่พวกเลือดเย็นหรอกเราพูดอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์เขาหมายถึงว่าเหมือนกับเราเป็นคนไม่มีความรู้สึกหรือว่าการที่เราถูกลอตเตอรี่เราได้ลาบลอยมาแล้วเราไม่ได้อยากไปเที่ยวต่างประเทศ<อ>ไม่ได้อยากได้<อ> iPhone เนี่ยเราเป็นพวกอมนุษย์หินมนุษย์หุ่นยนต์อะไรประมาณเนี้ย เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาดกับคนรอบข้างมากเราจะทํำยังไงกับจิตเราดีโอ้ง่ายมากเลยให้เรารู้ทันโทสะที่เกิดที่จิตเรานะจิตเรามีความหงุดหงิดใจนะไม่ชอบเลยมันว่าเราอย่างนี้ให้รู้ทันที่ใจเราเราห้ามปากเขาไม่ได้หรอกเราห้ามความคิดความเห็นของเขาไม่ได้หรอกแต่เรารู้ทันจิตของเรามาว่าเรานะใจเราโมโหอย่างนี้ยเรารู้เอานะคอยรู้ทันใจของเราไปคนอื่นยุ่งกับเขาไม่ได้หรอก นี่ก็ดีนะหมาตายไม่ร้องไห้ก็ดีแล้วก็ถูกแล้วไม่ร้องทำไมความตายนะสำหรับนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เรื่องต้องเศร้าโศอะไรหรอกเพราะว่าเราเคยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาในใจเรานะทุกอย่างนี่ชั่วคราวนะสุขทุกดีชั่วทุกอย่างเนะ่ยชั่วคราวไปหมดเลยชีวิตนี้ก็ของชั่วคราวมันจะตับไปแตกไปนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจหรอก สำหรับนักปฏิบัติแล้วมันเห็นว่านี้แหละธรรมดาภาวนาไปก็เห็นว่านี้แหละธรรมดาธรรมะนี้แหละธรรมดาธรรมดานี้แหละน้าเชิญกลับบ้านขับรถระวังนะพวกเราใจร้อนขับรถเร็ว